อาตมาชอบนิทานจีนเรื่องหนึ่งเป็นนิทานโบราณอายุคงนับพันปีแล้วให้ข้อคิดที่ดีนะแต่ว่ามันต้องใช้ความคิดหน่อยเพราะว่าอ่านจบแล้วก็ฟังแล้วอาจจะไม่รู้ว่าเขาต้องการบอกอะไรนิทานนี้เรื่องนี้ชื่อว่าเช้าสามเย็นสี่เป็นเรื่องของ คนเลี้ยงลิงก็เขาก็พึ่งมาทำงานใหม่ๆเขาก็เอาอาหารของลิงคือเกาลัดตอนเช้าก็ให้มันสามกองตอนเย็นหรือตอนบ่ายก็ให้มันสี่กองเพราะกูว่ามันไม่พอใจมันไม่พอใจ้วทำไง คนเลี้ยงลิงก็เปลี่ยนใหม่แทนที่จะให้ตอนเช้าสามกองตอนบ่ายสี่กองก็เปลี่ยนมาตอนเช้าสี่กองตอนบ่ายสามกองปรากฏว่ามันพอใจนะจบแล้วอ น, นิี้ทางนี้เขาต้องการบอกอะไรนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ให้เหมือนเดิมนะ ชา้าการที่จะเป็นเชา้าสามเย็นสี่ก็เป็นเชา้าสี่เย็นสามแต่ทําไมตอนแรกมันไม่พอใจแต่ตอนหลังเปลี่ยนเป็นเชา้าสี่เย็นสามมันถึงพอใจนะอันนี้นี่ก็อาจจะต้องการสะท้อนนิสัยของมนุษย์ก็ได้ลิงนี่มันไม่ใช่อะไรหรอกมันเป็นตัวแทนของมนุษย์นะ คนเรานี่ก็ไม่ต่างจากลิงนะจริงๆแรกทำมาอ่านนิทานเรื่องนี้ก็แปลกใจว้าเขาต้องการบอกอะไรเราก็าจะบอกว่าเนี่ยคนเราก็ไม่ต่างจากลิงถ้าให้เช้าสามเย็นสีไม่เอาแต่ถ้าให้เช้าสี่เย็นสามนี่เอามันต่างกันยังไง เมื่อสักหลายปีก่อนสมัยที่ชาเขียวโออิชิยังไม่ดังเนี่ยเขาก็ไปเปิดตลาดที่คามเมรวิธีการเผยแร่าชาเขียวก็คือว่าถ้าซื้อสองขวด4ี่สิบบาทจะแจกตุ๊กตาตุ๊กตาสวยเลยนะ บากว่าขายไม่ออกผู้จัดการก็กุ่มใจเอ้ยทำยังไงดีแต่เขาสังเกตว่าเวลาพูดถึงตุ๊กตาเวลาโชว์ตุ๊กตาให้ดูเนี่ยเด็กไปลุมล้อมนะเขาก็เลยเปลี่ยนใหม่เป็นว่า ถ้าซื้อตุกตาหนึ่งตัวสี่สิบบาทแจกชาเขียวสองขวดเ <c oughs> ขานี่ขายดีเลยนะทั <c oughs> ้งที่ตอนแรกเนี่ยมันก็เหมือนกันนะซื้อชาขวดเอ้ซื้อชาเขียวสองขวดสี่สิบาทแจกตุกตาไม่มีคนซื้อแต่พอบอกซื้อตุกต า, าขายตุกตาสี่สิบบาทถ้าใครซื้อนี่แจกชาเขียวสองขวดคนแหกกัน ซื้อจนกระทั่งชาเขียวนี่หมดเลยไอ้สองอย่างนี้ก็เหมือนกันนะแต่ทําไมคนหันมาสนใจอย่างที่สองก็คือมาซื้อตุ๊กตาอันนี้มันก็เหมือนจากเรื่องลิงเมื่อกี้นี่เนะกาวรัดเจ็ดกองแต่ว่าถ้าเชา้าสามเย็นสี่ลิงไม่ชอบแต่ถ้าเป็นเชา้าสี่เย็นสามนี่ลิงเอาลิงชอบนะ คนก็เหมือนกันลิงตรงนี้นะเรื่องชาเขียวที่พูดมาสองข้อเสนอสองอย่างเนี่ยมันเหมือนกันเลยแต่ทำไมคนถึงสนใจนะซื้อตุ๊กตาแล้วก็แถมชาเขียวสองขวดก็เป็นเพราะว่าคนชอบคนชอบตุ๊กตามากกว่าก็เหมือนกับลิงอะ่ะลิงมันชอบ เช้าสี่เย็นสามากกว่าเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยมันมีสี่กองมันอยากได้มากนะตอนเช้าได้มากตอนเยน็นหรือตอนบ่ายได้น้อยมันชอบนะแต่ลิงไม่ชอบถ้าตอนเช้าได้น้อยตอนบ่ายได้มากนะธรรมชาติคนเราเป็นอย่างนั้นนะคือว่าต้องนาหน้าด้วยของที่ชอบ แล้วก็ตามมาด้วยของที่ไม่ชอบหรือตามมาด้วยของที่ชอบน้อยกว่าหรือว่านำหน้าด้วยของที่มากแล้วก็ตามมาด้วยของที่น้อยทั้งนั่งที่มันก็เหมือนกันแหละเด็กเนี่ยหรือคนคนที่คนลูกค้าเนี่ยชอบตุ๊กตา ม, มากกว่าเพราะฉะนั้นพอเอาตุ๊กตาําหน้าว่าซื้อตุ๊กตาแถมชาเขียวนี่คนแห่กัน เมื่อคงเหมือนกับเวลาเรากินก๋วยเตี๋ยวนะคนส่วนใหญ่จะกินอะไรก่อนกินลูกชิ้นก่อนแล้วค่อยตามด้วยเส้นแล้วก็น้ำมีคนส่วนน้อยที่กินเส้นกินน้ำก่อนแล้วค่อยตามด้วยลูกชิ้นเพราะอะไรเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยอยากกินของที่มันอร่อยก่อนแล้วของที่ไม่อร่อยก็ตามมาทีหลัง อันนี้ก็เป็นเหตุผลเดียวกันทำไมคนเราเนี่ยชอบสบายก่อนแล้วก็ลำบากทีหลังมีคนส่วนน้อยที่ยอมลำบากก่อนแล้วก็มาสบายทีหลังสังเกตดูนะคนเราส่วนใหญ่เนี่ยขอสบายก่อนส่วนลำบากทีหลังว่ากันอีกทีเขาถึงมีพาสิทธิ์ว่า คนดีหามจัว่วคนชั่วหามเสาคนดีหามจัว่วหมายคำว่ายัางไงก็หมายคำว่าเขายอมเหนื่อยในการยอมลำบากในการอ่านหนังสือนังหาก่อนเวลาเรียนหนังสือนี่มันลำบากเขาก็ยอมลำบากเพื่อที่เขาจะได้สบายในวันหลังก็คือหามจัว่วส่วนคนไม่ฉลาดนี่ ขอสบายก่อนก็คือหนังสือไม่เรียนการบ้านไม่ทาก็รู้นะว่าอนาคตจะลำบากแต่ว่าอันนั้นเป็นเรื่องทีหลังอนาคตฉันไม่ไม่สนใจฉันขอสบายก่อนแล้วก็ยอมลำบากทีหลังไม่ใช่ไม่รู้นะก็รู้แต่ว่าความสบายมันอยากจะได้ก่อน อันนี้ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมคนทุกวันนี้เนี่ยถึงเป็นนี่เป็นสิงกันมากโดยเพราะเมื่อมีสินค้าเงินผ่อนหรือว่ามีเครดิตการ์ดก็คือก็รู้นะว่าไอ้สินค้าเงินผ่อนนี่ดอกเบี้ยมันแพงไอ้เงินที่ใช้ซื้อด้วยเครดิตการ์ดก็เหมือนกันดอกเบี้ยก็แพงแต่ทำไมถึงใช้นะ เ็มันสบายงั้นพอมีเงินขึ้นมานี่แทนที่จะเก็บหอมรอม้ิยเปล่าก็ซื้อสินค้าเงินผ่อนเลยเพราะว่าสบายเสร็จ แ, แล้วก็มันลำบากทีหลังก็คือต้องจ่ายตอนจ่ายอันนี้แหละกลุ่มแล้วหรือคนที่ชอบลูบบานี่ก็ลูดกันสนุกสนานเลยถามว่าไม่รู้หรือว่า วันข้างหน้านี้ต้องจ่ายดอกเบี้ยแพงก็รู้แต่ทําไมไม่ทําก็เพราะว่าอยากสบายก่อนคนส่วนใหญ่เป็นงั้นคือขอสบายก่อนส่วนลําบากทีหลังนี้เอาไว้เอาไว้วันหลังจะเรียกว่ามันห้ามใจไม่อยู่ก็ได้อันนี้เรียกว่าใช้ความรู้สึกนําหน้าแล้วคนส่วนใหญ่นี่ใช้ความรู้สึกนําหน้าเพราะฉะนั้นสบายก่อน แล้วลำบากทีหลังส่วนคนฉลาดนี่เขาจะใช้ปัญญานำหน้าเพราะฉะนั้นก็ยอมลำบากก่อนเช่นเวลาเวลาทำงานก็ยอมยอมลำบากนะไมย่ยอมขึ้นรถเมล์หรือว่ายอมเดินไปทำงานนะอยากได้อะไรก็อดใจไม่ซื้อ ดังนั้งที่รู้ว่าจะซื้อก็ได้ถ้าซื้อเงินผ่อนแต่เขาไม่ทำเพราะเขารู้ว่าสบายวันนี้แล้วเดี๋ยวมันจะไปลำบากวันหน้าแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ทำแบบนี้เพราะว่าใช้ความรู้สึกนำหน้าใช้ความอยากก็เป็นเครื่องมือให้กับพวกที่อยากขายของ <c oughs> เขาก็จะชักชวนว่าเนี่ย ถ้าซื้อเงินผ่อนนี่ไม่ต้องดาวนะแค่เดือนละเก้าร้อยหรือเดือนละพันหะนึ่งนะก็ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้แล้วนะฉะนั้นที่ถ้ามาคำนวณจริงๆแล้วนี่โอ้ยมันต้องจ่ายมากกว่ามันต้องจ่ายค่าดอกนี่เยอะมากนะคนเราถ้าเอาความรู้สึกนำหน้านี่มันก็จะเสียท่าเขาเนะพราะคนเขาก็จะมาอ่อยเยื่อ ให้เร า, เาให้เราซื้อของเขานะโดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินเยอะเท่าไหร่แต่ว่าจ่ายไปเรื่อยๆจ่ายไปเรื่อยๆนี่โอ้ยเงินมันแพงคนเราเนี่ยมักจะเห็นว่าความสุขเฉพาะหน้าเนี่ยมันสำคัญกว่าความสุขในอนาคต ความสุขเฉพาะหน้านี้สําคัญกับความสุขในอนาคตส่วนความทุกข์ในวันนี้จะยิ่งใหญ่กว่าความทุกข์ในวั น, น, นหน้าเงินหนึ่งบาทในวันนี้นี่มันมีค่ากว่าเ ง, เงินหนึ่งบาทในวันพรุ่งนี้คิดแบบนี้กันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าเกิดมีความสุขในวันนี้ฉันเอาก่อน ส่วนมันจะทุกวันหลังนี่ก็ถือว่าไม่ไม่เท่าไหร่อย่างคนที่ติดยาติดบุหรีหรือติดเหล้าก็เหมือนกันพวกนี้ก็จะเรียกว่าเขียนแก่ความสุขในวันนี้มากกว่าความสุขในวันหน้าคือก็รู้นะว่าถ้าเลิกเหล้าเลิกบุหรีแล้วนี่วันหน้าจะมีความสุข จะไม่เป็นโรคปอดจะไม่เป็นโรคตับไม่เป็นโรคมะเร็งนะก็สามารถจะมีชีวิตได้อายุยืนไปไหนก็สะดวกไม่ใช่เขาไม่รู้นะแต่เขาเลือกเอาความสุขในวันนี้เพราะว่าถ้าเขาเลิกสูขเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะหรือเลิกกินเหล้าเมื่อไหร่นี่มันจะทุกข์มากเลยความทุกข์ในวันนี้มันจะยิ่งใหญ่กว่าความทุกข์ในวันหน้า ทุกข์เพราะลงแดงนี่มันจะหนักหนาสาหัสมากกว่าทุกข์เพราะเป็นมะเร็งคนเขาสึกแบบนี้นะทุกข์เพราะลงแดงนี่ที่จริงมันก็เล็กน้อยถ้าเราใช้ปัญญาใช้เหตุผลก็จะรู้ว่าโอ้ยทุกข์เพราะลงแดงนี่มันไม่ตายหรอกแต่คนส่วนใหญ่กลัวทุกข์เพราะลงแดงมากกว่ากลัวทุกข์ที่จะเป็นมะเร็งในยี่สิบปีข้างหน้าเพราะว่าความทุกข์ที่เป็นมะเร็งนี่มันอีกไกลถือว่าจิ๊บจ้อย แต่ความทุกข์เพราะลงแดงในวันนี้นี่มันหนักหนามากในความรู้สึก ข, ของเขาเพราะนั้นเขาก็เลยไม่ยอมเลิกเพราะว่าถ้ากินวันนี้สูกวันนี้แล้วเออมันได้ความสุขสุขวันนี้นะมันมีเสน่ห์น้อยมันมีเสน่ห์มากกว่าสุขในวันหน้าสุขในวันหน้าถ้าไม่สูกบัลลีไม่กินเหล้าคือปลอดโปรง่งจิตใจสบายสุขภาพดี โอ้ยอันนั้นมันอนาคตฉันไม่เอาฉันขอสุขในวันนี้แหละก็เหมือนกับคนที่ขี้เกียจเรียนหนังสือเพราะมันสบายฉันยอมสบายวันนี้นะส่วนลําบากวันหน้าเอาเพราะคิดว่ามันเล็กน้อยนนคนเราจริงๆใช่ให้ดูไปก็คนเรานี่มันใช้เหใช้ความรู้สึกมากกว่าเหตุผลใช้อารมณ์มากกว่าใช้ปัญญา ก็เป็นเหตุผลเกี่กับคนที่ผู้หญิงจำนวนมากที่บอกว่าเป็นเอ็ดดีกว่าเป็นเอ็ดีกว่าอดนะโกรอดมากกว่ากรอเอดเพราะอะไรเพราะว่าอดนี่มันวันนี้ส่วนเป็นเอ็ดนี่มันวันหน้าทั้งที่อดนี่มันไม่ทำให้ถึงกับตายนะมันก็ทรมานแต่ว่าก็คงพอจะหากินได้ แต่เป็นเอจนี่มันไม่ใช่แค่อดจริงมันทรมานด้วยแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็เลือกเลือกที่จะทำอาชีพที่มันเสี่ยงทั้งทั้งที่อาจจะมีทางเลือกนะเพราะเขาบอกว่ากลัวอดมากกว่ากลัวเอจแต่พอเจอเอจริงๆพอได้เป็นเอจริงๆก็จะเสียใจรู้สึกผิดว่าทำไมวันนั้นทำไมเราไม่เลิกซะเมือนคนที่เป็นมะเร็งปอดเป็นมะเร็งตับ พอสูบบุรีเนี่ยหรือกินเหล้าพอเป็นจริงๆแล้วก็จะนึกเสียใจว่าทำไมวันนั้นกูไม่เลิกนั่นแหละก็เพราะว่ามันเห็นแก่ความสุขในวันนี้ความสุขเฉพาะหน้ามากกว่าความสุขในระยะยาว